พระมหาสัตว์ทรงเจริญสมณะธรรมอยู่บนปราศาสตร์นั่นแลเวลาล่วงไปสี่เดือนลำดับนั้นพระหฤทัยของพระองค์ได้น้อมไปในบรรพชาอย่างยิ่งพระราชินิเวศปรากฏดุดโล ก, กันตะนรกพบทั้งสามปรากฏแก่พระองค์เหมือนถูกไฟไหม้พระมหาสัตว์มีพระหฤทัยมุ่งเฉพาะต่อบรรพชาทรงจินตนาการว่า

เมื่อไรหนอการเป็นที่ละกรุงมิถิลาซึ่งประดับตกแต่งดังพิภพแห่งเท้าสักกะเทวราชนี้แล้วไปสู่ป่าหิมมวันทรงเพศบรรพชิตจกมีแก่เราทรงคิดชนี้แล้วทรงเริ่มพรรณนากรุงมิถิลาว่าเมื่อไรเราจะละกรุงมิธิลาราชธานีอันมั่งคั่งซึ่งนายช่างจำแนกสร้างไว้เป็นสัสดส่วนออกบวชได้

ความประสงค์นั้นจกสำเร็จได้เมื ller, ่อไรหนอะเมื well ่อไรเราจะละกรุงมิธิลาราชธานีอันมั่งคั่งว้างขวางรุ่งเรืองด้วยประการทั้งปวงออกบวชได้ความประสงค์นั้นจกสาเร็จได้เมื่อไรหนอะเมื่อไรเราจะละกรุงมิธิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีกำแพงและหอรบเป็นอันมากออกบวชได้

ความประสงค์นั้นจกสําเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีป้อมและซุ้มประตูมั่นคงออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสําเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีทางหลวงตัดไว้เรียบร้อยออกบวชได้

ความประสงค์นั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนาะเมื่อไรเราจะละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคัง่งมีร้านตลาดจัดไว้ในระหว่างอย่างดีออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนาเมื่อไรเราจะละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคัง่งเบยียดเสียดไปด้วยรถเทียมโคและม้า อ, ออกบวชได้

ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมือ่อไรเราจะละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีระเบียบแห่งมูลไม้ในที่เที่ยวสำราญออกบชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีระเบียบแห่งมูลไม้ในพระราชอุทยานออกบวชได้

พระนามว่าโสมนัสทรงสร้างไว้ออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรเนอเมื่อไรเราจะละแค้นวิเทหะอันมั่งคั่งซึ่งพระเจ้าวิเทหราชทรงสะสมธัญญาหารเป็นต้นทรงปกครองโดยธรรมออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรเนอเมื่อไร

เราจักละแคว้นวิเทหะอันมั่งคั่งมูปัจจามิตรผจญไม่ได้อันเราปกครองโดยธรรมออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนอะเมื่อไรเราจักละพระราชมนเทียนสถานอันน่ารื่นรมจำแนกเป็นสถานที่ไว้สมส่วนออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนอะ

เมื่อไรเราจักละมนเทียนสถานอันน่ารื่นรมซึ่งฉาบทาด้วยปูนขาวออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสําเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักละมนเทียนสถานอันน่ารื่นรมมีกลิ่นหอมฟุ้งจารุมใจออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสําเร็จได้เมื่อไรเนอะเมื่อไรเราจักละพระตาหนกยอด

อันจำแนกปันสมส่วนออกบวชได้ความประสงค์นออดดั้นจะสจาสเร็จได้เมื่อไรหนาเมื่อไรเราจะละพระตาหนกยอดอันฉาบทาด้วยปูนขาวออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสาเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละพระตาหนกยอดอันมีกลิ่นหอมฟุ้งจรุงใจออกบวชได้

ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรเนาเมื่อไรเราจะละพระตำหนักยอดอันทาสีวิเศษสวยสดลาดรถประพรมด้วยแก่นจันทร์ออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรเนาเมื่อไรเราจะละบาลังทองซึ่งลาดอย่างวิจิตด้วยหนังโคออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรเนา

เมื่อไรเราจักละบาลังแก้วมณีซึ่งลาดอย่างวิจิตด้วยหนังโคออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักละผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าอันเกิดแต่โคมรัตและเกิดแต่โกทุมพรรัตออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนอ

เมื่อไรเราจะละสะบคัลณีอันน่ารื่นรมซึ่งนกจากพรากร่ำร้องแล้วดาดาดไปด้วยพันไม้น้ําทั้งปทุมและอุบลออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสําเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละกองช้างซึ่งประดับประดาไปด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงและเหล่าช้างมีสายรัดทองคํามีสับประครับสําเร็จด้วยทอง

มีควาญช้างถือโตมอนและของ้าวขึ้นขี่ประจำออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสําเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละกองมา้าซึ่งประดับประดาด้วยสัมภารังการและเหล่าศิน์ทบชาติอาชาในซึ่งเป็นพาหะเร็วอันเหล่าคนฝึกประจำถือดาบและแล่งสอนอยู่เป็นนิดออกบวชได้

ความประสงค์นั้นจะสาเร็จได้เมื่อไรเนอเมื่อไรเราจะละกองรถซึ่งติดเครื่องรบชักธงประจำพุ่งหนังเสือเหลืองและเสือโครง่งประดับประดาด้วยอลังการอันวิจิตรมีคนประจำรถถือสอนสวมเกราะออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสาเร็จได้เมื่อไรเนอเมื่อไรเราจะละกองรถทองคา

ซึ่งติดเครื่องรบชักธงประจำพุ่มหนังเสือเหลืองและเสือโครงประดับประดาด้วยอลังการอันวิจิตรมีคนประจำถือสอนสวมเกราะออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรเนอะเมื่อไรเราจะละรถเงินซึ่งติดเครื่องรบชักธงประจำพุ่มหนังเสือเหลืองและเสือโครงประดับประดาด้วยอลังการอันวิจิตร

มีคนประจํารถถือสอนสวมเกราะออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสําเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละกองรถมา้าซึ่งติดเครื่องรบชักธงประจําหุ้มหนังเสือเหลืองและเสือโครงประดับประดาด้วยอลังการอันวิจิตรมีคนประจําถือสอนสวมเกราะออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสาเร็จได้เมื่อไรหนอ

เมื่อไรเราจะละรถเทียมอูดซึ่งติดเครื่องรบชักธงประจำพุ้มหนังเสือเหลืองและเสือโครง่งประดับประดาด้วยอลังการอันวิจิตรมีคนประจำถือสอนสวมเกราะออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรเนอะเมื่อไรเราจะละกองรถเทียมโคซึ่งติดเครื่องรบชักธงประจำ

หุ่มหนังเสือเหลืองและเสือโครงประดับประดาด้วยอลังการอันวิจิตรมีคนประจําถือสอนสวมเกราะออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนอะเมื่อไรเราจักละกองรถเทียมแพะซึ่งติดเครื่องรบชักธงประจาพุ่มหนังเสือเหลืองและเสือโครงประดับประดาด้วยอลังการอันวิจิตร

ซึ่งประดับด้วยเครื่องอลังการสวมเกราะสีเขียวแกล้าถือโตมอนและขอเงาออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสําเร็จได้เมื่อไรหนอเ <ười> มื่อไรเราจะละกองพลม้าซึ่งประดับด้วยเครื่องอลังการสวมเกราะสีเขียวแกล้าถือดาบและธนูออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสําเร็จได้เมื่อไรหนอ

เมื่อไรเราจะละกองพลรถซึ่งประดับด้วยเครื่องอลังการสวมเกราะสีเขียวแกล่ากล้าสะพายธนูและแร้งออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรเนอะเมื่อไรเราจะละกองพลธนูซึ่งประดับด้วยเครื่องอลังการสวมเกราะสีเขียวแกล้ากล้าสะพายธนูและแร้งออกบวชได้

ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนาเมื่อไรเราจะละราชบุตรซึ่งประดับด้วยเครื่องอลังการสวมเกราะอันวิจิตแกล้ากล้าถือกริออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนาเมื่อไรเราจะละมือพรามผู้ครองผ้าเครื่องบริขารครบครันทาตัวด้วยแก่นจันทร์สีเหลือง

ทรงผ้ามาแต่แคว้นกาสีอันอุดมมู่อมารตผู้ประดับประดาด้วยเครื่องสัมผาลังการกล้าหาญทรงเกราะเหลืองนําริ้วขบวนไปข้างหน้าและนางสนมกำนันประมาณ700ร้อคนซึ่งประดับด้วยเครื่องสัมผาลังการเอวบางเรียบร้อยดีแล้วเธอฟังคําสั่งพูดจาน่ารักออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสําเร็จได้เมื่อไรหนอ

เมื่อไรเราจักละภาชนะทองคาน้ำหนักร้อยปันละจำหลักลวดลายนับด้วยร้อยออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละกองช้างซึ่งประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเรานางสนมกานันเอวบางเรียบร้อยดีเชื่อฟังคำสั่งพูดจาน่ารักเป็นที่สุดผู้ติดตามเราไป

เขาจะไม่ติดตามเราอันใดความที่พวกนั้นนั้นไม่ติดตามเรานั้นจักเป็นได้เมื่อไรเนาะเมื่อไรเราจะได้ปลงผมห่ผมผ้าสังคาติอุ้มบาศเที่ยวบินธบาตจากทรงผ้าสังคาติอันทําด้วยผ้าบางสุกุลที่เขาทิ้งไว้ตามถนนหนทางเมื่อฝนตกเจ็ดวันจะมีจีวรเปียกชุ่มเที่ยวบินธบาต

จักจาริกไปตามต้นไม้ราวป่าทั้งกลางวันและกลางคืนเที่ยวไปโดยไม่เหลียวแลถึงกิจการอันใดอันหนึ่งจักละความกลัวความขลาดให้เด็ดขาดจักอยู่ผู้เดียวตามภูเขาและสถานที่อันลำบากจักทําจิตให้ตรงดุดคนดีดพินดีดสายทั้งเจ็ดให้เป็นที่รื่นรมแห่งใจความประสงค์นั้นจักสาเร็จได้เมื่อไรเนาะ

เมื่อไรเราจะตัดเสียซึ่งกามาสังโยชน์อันเป็นของทิพย์และของมนุษย์ดุดช่างรถตัดรองเท้าโดยรอบฉะนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเมื่อไรกะทาเป็นการคำหนึ่งถึงเวลาคำว่าอันมั่งข้างอีตังความว่าแร่คือเต็มด้วยผ้าและเครื่องประดับเป็นต้น

ข้อว่าซึ่งนายช่างจำแนกไว้เป็นสัดส่วนวิพัตตังภาคะโสมิตังความว่าอันนายช่างผู้สร้างพระนครผู้ฉลาดแบ่งสถานที่เป็นพระราชนิเวศเป็นต้นปันส่วนเป็นประตูและถนนข้อว่าความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอตังกทาสุภวิสติความว่า

การละพระนครเห็นปานนี้ออกบวชนั้นจะมีได้เมื่อไรคำว่ารุ่งเรืองด้วยประการทั้งปวงสัพพโตปะพังความว่าประกอบด้วยแสงสว่างแห่งเครื่องประดับโดยรอบคำว่ามีกำแพงและหอรบเป็นอันมากพหุปาการะโตระนังความว่าประกอบด้วยกำแพงหนาแน่นและประตูหอรบ

คำว่ามีป้อมและซุ้มประตูมั่นคงทัลหะมัตตาละโกรทกังความว่าประกอบด้วยป้อมและซุ้มประตูมั่นคงคำว่าเบียดเสียดปีลิตังความว่าเลื่อนกล่นคำ ว, ว่ามีประการสามชั้นติบุรังความว่าประกอบด้วยเมืองสามชั้นคือมีกำแพงสามชั้นอีกอย่างหนึ่งความว่า

ล้อมรอบสามรอบคำว่าร่างพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ราชาพันธนิงความว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยพระบรมวงศานุวงศ์สามชั้นทีเดียวคำว่าโสมนัสโสมนัสเสนะความว่าพระเจ้าวิเทหาราชผู้มีพระนามอย่างนี้คำว่าซึ่งพระเจ้าวิเทหาราชทรงสะสม

นิจิเตได้แก่สะสมทัญญาหารเป็นต้นอุดมสมบูรณ์คําว่ามูปัจจามิทธ์ผจญไม่ได้อเชเยได้แก่มูปัจจามิตรเอาชนะไม่ได้คําว่าประพรมด้วยแก่นจันจันทนะโภสิเตได้แก่ประพรมด้วยจันทรแดงคําว่าผ้าอันเกิดแต่โคมรัษ

และอันเกิดแต่โกทุมพา ร, รัตโคมะโกทุมพาราณิได้แก่ผ้าที่เกิดแต่โคมารัตและโกทุมพา ร, รัตคําว่ากองช้างหัตถคุมเพได้แก่โครงช้างคําว่ามีสับ ป, ปคับด้วยทองเฮมะกัปปะนิวาสเสได้แก่ประกอบด้วยของสําเร็จรูป

กล่าวคือเครื่องประดับศีรษะล้วนแล้วไปด้วยทองและไข่ทองคําว่ามีความช้างคามณีเยพิได้แก่เหล่าหัตถาจารย์คําว่าชาติอาชาในอาชานีเยจะชาติเยได้แก่พวงมาทั้งหลายเช่นนั้นชื่ออาชาในเพราะรู้เหตุและไม่ใช่เหตุชื่อว่ามีชาติเพราะสมบูรณ์ด้วยชาติ

คำว่าอันเหล่าคนฝึกคามณีเยพิได้แก่เราอัสวาจาร์คำว่าถือดาบและแล่งสอนอยู่อินทิยาจาปัทาริพิได้แก่ทรงไว้ซึ่งดาบและแล่งสอนคำว่ากองรถรถัฐเสนโยได้แก่หมู่รถคำว่าซึ่งติดเครื่องรบสันนัตเทได้แก่

ผูกสอดเครื่องรบด้วยดีคําว่าหนังเสือเหลืองและเสือโครงทีเปอโทปิเวยักเเคได้แก่หุ้มหนังเสือเหลืองและเสือโครงคําว่ามีคนประจําคามะณีเยพิได้แก่เหล่ารัฐาจารคําว่ารถเงินสัจจุระเถได้แก่รถเงิ น, รรรงนประกอบรถเทียมแพ้รถเทียมแก่

รดเทียมเนื้อเพื่อความงดงามคำว่ามูพรามอาริยคเนได้แก่พวกพรามได้ยินว่าพรามเหล่านั้นเป็นผู้มีอาจาระประเสริฐในเวลานั้นเพราะเหตุนั้นพระมหาสัตว์จึงกล่าวถึงพรามเหล่านั้นอย่างนี้คำว่าทาตัวด้วยแกนจันสีเหลืองภริจันธนฤตตังเคได้แก่

มีสรีระไลทาด้วยจันทร์สีทองพระมห า, าสัตว์กล่าวว่าสัตตสตาไมายเอาเฉพาะภริยาที่รักเท่านั้นคำว่าเรียบร้อยดีสุสัญญาได้แก่สำรวมแล้วด้วยดีคำว่าฟังคำสั่งอสวาได้แก่ทำตามถ้อยคำคำว่าน้ำหนักร้อยปละสัตะปลังได้แก่

สร้างด้วยทองคาหนักร้อยปลละคำว่าภาชนะกังสังได้แก่ถาดคำว่าจำหลักลวดลายนับด้วยร้อยสตราชิกังได้แก่ประกอบด้วยลวดลายด้านหลังร้อยลายคำว่าผู้ติดตามเราไปยันตังมังความว่าผู้ติดตามทั้งหลายเมื่อไรจะไม่ติดตามเรา

ผู้ไปภัยสนคนเดียวเท่านั้นคาว่าเมื่อฝนเจ็ดวันสัตตาหังเมเคได้แก่เมื่อเมฆฝนตั้งขึ้นตลอดเจ็ดวันความว่าเวลาฝนตกตลอดเจ็ดวันคําว่าทั้งกลางวันและกลางคืนสัพพันหังได้แก่ตลอดคืนตลอดวันคำว่าคนดีดพินวีนรุชโก

ได้แก่ผู้บรรเลงพินคําว่ากามสังโยน์กามสังโยชะเนได้แก่เครื่องประกอบคือกามคําว่าอันเป็นของทิพทิพเพได้แก่เป็นของทิพคําว่าของมนุษย์มนุเสได้แก่เป็นของมนุษย์